ที่ประเทศอเมริกาตอนนี้าศาสนาพุทธได้รับความสนใจมากโดยเพราะในหมู่คนที่มีการศึกษาหมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างเช่นฮาร์วาร์นะสแตนฟอร์ดพวกนี้เขาก็จะมีาการปฏิบัติธรรมการบรรยายธรรม แล้วก็จริงจังหนังสือที่วางขายตามร้านใหญ่ๆนี่ก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่มุ่งไปที่การปฏิบัติรวมทั้งเป็นหนังสือวิชาการก็มากแต่ว่าพุทธศาสนาที่ได้รับความนิยมมากสุดในอเมริกาตอนนี้ก็เป็นพุทธศาสนาแบบที่เบสหรือวัชรยาน ซึ่งเมื่อสี่สิบห้าสิบปีก่อนไม่มีใครรู้จักแต่ว่าตอนหลังก็ได้รับความนิยมมากอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเขามีครูบาอาจารย์ที่น่าสนใจหลายท่านซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวทิเบตคนที่บุกเบิกคนแรกๆเลยเนี่ย ชื่อลามะเยเชลามะเยเชนี่ต้องเรียกว่ารีภัยมาอยู่อเมริกาเพราะว่าทิเบตมีปัญหานะจีนก็ลุกรานไทย ล, ลามะก็ไปอยู่อินเดียลามะเยเชเนี่ยเกิดในชนบทไม่เคยเห็นเครื่องบินไม่เคยเห็นรถจนกระทั่งอายุมากแล้ว พ่อทิเบตนี่มันเป็นดินแดนที่เรียกลี้ลับนะกันดาลแต่เมื่อมาถึงอเมริกานี่เราก็ว่าสามารถที่จะชักชวนคนให้ปฏิบัติธรรมได้เป็นจำนวนมากทั้งนั้นที่ท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ก็สามารถที่จะชักชวนไม่ใช่คนแก่นะที่ให้มา สนใจปฏิบัติพุทธศาสนาจะเป็นคนหนุ่มสาวซึ่งไม่เคยสนใจเรื่องศาสนาเลยแต่ว่าลมเยเชนี่สามารถที่จะชักชวนคนเหล่านี้ให้มาทำสมาธิภาวนาได้เพราะหลังนี้อย่างที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเรื่องการทำสมาธินี่เขาเมื่อสีสิบกว่าปีก่อนนี้เรียกว่าเขาไม่สนใจเลยไม่รู้จักโดยซ้ำแต่ว่าลมยเชนี่ก็สามารถที่จะ พาคนเหล่านี้มาปฏิบัติได้วิธีการท่านน่าสนใจนะคือปกติเนี่ยเวลาจะแนะนำคนให้มาพูดถึงพุทธศาสนาเนี่ยก็อาจารย์หลายท่านก็จะเริ่มต้นด้วยพิธีกรรมหรือไม่ก็ว่าเอาเรื่องปริยัติมาพูดก่อนเช่นเรื่องอริยสัจสี่มัคมีองค์ดหรือไม่ก็ไปโน้นเลยปฏิจจสมุปบาท แต่ละมาเ ย, ยเชนี่ใช้วิธีการที่ง่ายๆนะถามคนหนุ่มสาวชาวเมริกันว่าคุณทำสองอย่างนี้ได้ไหมอันที่หนึ่งคือหายใจเข้าและหายใจออกทำได้ไหมทุกคนก็ตอบว่าทำได้อันที่สองคุณมีเมตตากรุณาในใจไหมถ้ามีก็ปฏิบัติทำได้เลยนะธรรมะไม่ใช่เรื่องยาก แล้วกอกว่าท่านก็ใช้วิธีง่ายๆแบบนี้แหล ะ, ะที่ทําให้คนเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ซับซ้อนอะไรเลยมีคนถามว่าทำไมท่านถึงถามแค่สองคำถามนี้ว่าคุณหายใจเข้าหายใจออกรู้ได้ไหมแล้วคุณมีแม่ตากาุณารูอเปล่าเราไม่ใช่ก็อธิบายว่าเมื่อแต่ก็ตามที่เรามีสติอารม์หายใจเข้าลมหายใจออก มันก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับชีวิตของเราแล้วก็เรากับร่างกายของเราได้นี่ข้อที่หนึ่งก็อีสองคือว่าถ้าเรามีเมตตากรุณามันก็จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับโลกได้อันนี้ก็ตรงกับที่ตัมมาได้พูดไว้เมื่อสองวันก่อนว่าพุทธศาสนาเนี่ยมันมีทั้งความลึกและความกว้างเมื่อเรารู้จัก มีสติกลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็จะเพิ่มความลุ่มลึกให้แก่จิตใจและชีวิตของเราเมื่อเรารู้จักเมตตากรุณาต่อผู้อื่นมันก็ช่วยทำให้จิตใจเราแผ่กว้างนะจริงพื่อศาสนามไม่ได้สอนอะไรสอนแค่นี้แหละคือเพิ่มความลึกและความกว้างให้แก่ชีวิตจิตใจนะหรือว่าถ้าพูดแบบภาษาของท่านลัมมะก็คือว่า เป็นการเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเรากับร่างกายของเราหรือเรากับชีวิตของเราหรือว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตด้านในของเรากับการเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นคนเราทุกข์ก็เพราะสองเรื่องนี้นะก็คือว่าความสัมพันธ์กับตัวเองนี่มันแย่เหงาเบือ่อเซ็งรุ่มร้อนทุรนทุรายอยู่คนเดียวไม่ได้นะต้องออกไปโน่นออกไปนี่ ต้องเปิดเพลงฟังต้องคุยโทราศัพท์กับเพื่อนอันนี้เลยว่าอยู่กับตัวเองไม่ได้อันที่สองคือว่ามีปัญหาความสัมพันธ์กับผู้อื่นครอบครัวก็ดีเพื่อร่วมงานก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีมานึกดูนะคนเราเนี่ยปัญหาเรามีแค่สองอย่างนั่นแหละเป็นเรื่องเรากับตัวเองแล้วก็เรากับผู้อื่นอย่าม า, มาเราไม่ใช่เช่นนั้นจันทร์ท่านจับประเด็นได้ถึงแม้ว่าเป็นคนที่เรียกว่า มาจากชนบทนะในประเทศที่ห่างไกลเนะี่ยแต่จับสาระของศาสนาหรือพุทธศาสนาได้ก็เอามานะบางคนนี่ต้องเวลาจะสอนทมต้องมีพิธีรีตองนะเยอะแยกไปหมดแต่เราไม่ใช่นี้เอาเข้าตรงประเด็นเลยซึ่งซึ่งก็ทำให้ฝรั่งนี่นเห็นว่าธรรมะเป็นของง่ายไม่ใช่เรื่องยากนะพอไปติดหลายคนติดเรื่องพิธีกรรมก็เลยกลัวกลัวหรือว่า อกังวลก็เหมือนกับคนหนุ่มสาวเวลานี้เนี่ยเวลามาวัดมาพระนี่กลัวกลัวว่าจะพูดไม่ถูกกลัวว่าจ ะ, ะทำตัวไม่ถูกต้องนะจะพูดกับพระยังไงก็ยังพูดไม่ถูกนะเรียกพระว่าอัตมาก็มีแต่ที่จริงนี่ไม่ใช่เรื่องสำคัญถ้าจับแกนให้ได้ มีอีกท่านหนึ่งที่น่าสนใจนะก็คือหลวงปูด่ดูก็มีหลวงปู่ดูนี่ท่านอยู่วัดสแกอยุทธียาท่านมารณภาพไปนานแล้วก็เป็นพระที่มีชื่อเสียงมีคาราหนึ่งผู้ชายคนนึงก็พาเพื่อนมาเพื่อนเนี่ยเป็นนักเลงเหล้าติดเหล้าผู้ชายคนนี้เขาก็คนที่พามานี่เขาก็เป็นลูกศิษย์หลวงปูด่ดูพอ สนธนากับหลวงปู่ดูสักพักก็ชวนเพื่อนที่เป็นคนติดเหล้าเนี่ยให้สมาทานศีลแล้วก็ทําสมาธิภาวนาด้วยก็ก็ปฏิเสธนะบอกว่ามาพูดกับหลวงปู่ดู่ว่าเนี่ยก็ผมยังกินเหล้าผมยังผมยังกินเหล้าอยู่เนี่ยผมจะสมาทานศีลแล้วทําสมาธิได้ยังไงหลวงปู่ดูก็เลยตอบว่าแกจะกินเหล้าก็เป็นเรื่องของแกข้าไม่ว่าแต่ว่าแกจะ นั่งสมาธิให้ค่าวันละห้านาทีก็พอแล้วทำได้ไหมยกว่าทำได้สี่ห้านาทีแค่นั้นเองงังนกลับไปนี่แกก็กลับไปนั่งทำอย่างที่หลวงปู่ดูว่าลาวก็ยังกินอยู่แต่ว่าก็นั่งสมาธิตามที่รับปากหลวงปู่ ด, ดูวันละห้านาทีไม่มีขาดทำไปทำไป ก็เริ่มได้รับความสงบก็เลยเพิ่มเป็นสิบนาทีนะก็ยังกินเหล้าอยู่นะนั่งสมาธิเสร็จก็ไปกินเหล้าแต่บางวันนี่เพื่อนชวนไปกินเหล้าแกไม่ไปบอกว่าจะไปนั่งสมาธิมันได้เวลาพอดีก็เลยไม่ไปกินเหล้ากับเพื่อนปอกว่าในที่สุดแกก็เลิกเหล้าได้นะเพราะว่า ได้พบกับความสุขที่ดีกว่าคือสมาธนะิคนเรานี่ถ้าไม่มีความสุขที่ดีกว่านี่มันเลิกเล่าได้ยานะเพราะเล่ามันก็ให้ความสุขแบบหนึ่งแต่เป็นความสุขแบบหยาบๆนะพอเขาได้นั่งสมาธิเขาก็พอใจมีความสงบตอนหลังนอกจากเลิกเล่าแล้วก็ยังสนใจบวช ด, ด้วยจากคนที่สีลห้ายังไม่ครบเลย ก็มีศรัทธามาบวชถือศีล2อยิบเจ็ดนะก็บวชนานอยู่หลายปีอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าปกติเนี่ ย, ยถ้าจะนั่งสมาธิก็ต้องสมาทานศีลก่อนนะหลายรูปท่านก็จะเคร่งครัดนะว่าถ้าจะมาถ้าจะมาปฏิบัติธรรมก็ต้องสมาทานศีลก่อนหลวงปู่รู้ว่าคนแบบนี้นี่ จะให้สมาทานเสียเลิกเล่านิยาก็จะกินเหล้า ก, กินไปนะแต่ว่ามานั่งสมาธิได้ไหมเพราะท่านรู้ว่าท่านนั่งสมาธิแล้วไหนสุขก็จะเลิกได้เองอันนี้ก็เรียกเป็นการสอนธรรมแบบไม่มีพิธีรีตองมากไม่ใช่ว่าเริ่มต้นก็เอามาอาราธนาศีลก่อนนะเดี๋ยวนี้การสอนศีลธรรมนี่บางทีมันกลายเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยพิธีรีตอง เวลาพระจะสอนธรรมะก็อ้าวต้องมีพิธีเข้ามาก่อนพิธีกรรมมันก็ดีนะแต่ว่าสระบางคนนี่เขาเรียกว่าจะไม่ชอบครูที่สอนนักเรียนก็เหมือนกันนะเด๋ยนี้หลายแห่งเวลาจะสอนธรรมะนี่ก็ต้องเริ่มต้นด้วยการกราบก่อนต้องกราบให้ถูกต้องนะกราบไม่ถูกต้องกราบใหม่นะเด็กพอเจอแบบนี้เขาเด็กก็เริ่มรู้สึกลบต่อ ต่อศาสนาแล้วเพราะว่าเริ่มต้นก็บังคับกันแล้วนะแต่ว่าไม่ได้มีการโน้มน้าวชักชวนเสร็จ แ, แล้วก็ไปติดอยู่แค่แค่นี้แหละก็คือการกราบการนารัตนาศีลท่องได้แต่ว่าไม่รู้อะไรคือสาระของการปฏิบัตินะเดี๋ยวนี้เราทำให้ธรรมะเป็นเรื่องยากเต็มไปด้วยพิธีกรรมบางคนจะสอนเด็กให้นั่งสมาธิก็ บังคับเด็กไม่ได้พูดไม่ได้พูดจานโน้มน้าอะไรเลยก็ให้นั่งหลับตามีเด็กวัยรุ่นบางคนมาหาที่วัดแล้วก็เล่าวันเนี่ยเขาเขาเกลียดสมาธิมากทําไมถึงเกลียดเขก็ขครูบังคับครูบังคับให้นั่งแล้วไม่ใช่นั่งแค่หาทีนั่งครึ่งชงั่วโมงแล้วไม่รู้คูนั่งด้วยหรือเปล่านแต่ครูสั่งให้นั่งเรียนทํานันเกเรียนก็เลยมีความสึกต่อต้านสมาธิน แตดีคือที่เขายังไม่ได้ลังเกียรติวัดนะก็พอเข้ามาวัดเขาก็ล่าใฟังอันนี้เพราะว่าเราเนี่ยมักจะใช้วิธีเริ่มต้นด้วยการทําให้ธรรมะเป็นของยากนะหรือว่าเป็นเรื่องที่ลุงลังลกไปด้วยพิธีกรรมซึ่งคนไม่เข้าใจความหมายในแต่ละละมัธ ย, ยเชนท่านท่านท่านเข้าใจคนหนุ่มสาวชาวอเมริกันนะท่านก็ไม่พูดพร่าทำเพลงเลยทําให้มันเป็นเรื่องง่ายๆ ทำสองอย่างนี้ได้ไหมหายใจเข้าหายใจออกกับมีเมตตากรุณาถ้าทําได้มาเลยไม่ต้องสมาทานศีไม่ต้องสวดไตสารสรณาคมนะยังไม่ต้องก็ได้จะเป็นคริสตก็ทําได้ยังนับถือพระเจ้าอยู่ก็ทําได้นะแล้วเดี๋ยวมันก็ได้ผลเองแหละเพราะว่าการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาก็มีแค่สองอย่างเท่านั้นแหละก็คือเปลี่ยนชีวิตด้านในแล้วก็เปลี่ยนความสัมพันธ์ภายนอกเปลี่ยนชีวิตด้านในด้วยการทําสมาธิ เปลี่ยนความสัมพันธ์ด้วยการมีเมตตากรุณาไม่เห็นแก่ตัวคิดถึงผู้อื่นถ้าจับหลักตรงนี้ได้เนี่ยนะการสอนทรมาให้กับเด็กก็เป็นเรื่องง่ายแต่เด็กนี้นี้ไม่เข้าใจบางทีผู้ใหญ่ยังไม่เข้าใจแล้วก็ไปคิดแต่เรื่องว่าปฏิบัติธรรมก็ต้องเริ่มต้นในพิธีกรรมอาราธนาศีลถวายสังฆทานไอ้พวกนี้ก็ดีมีประโยชน์นะแต่ว่ามันยังไม่ใช่แก่นพุทธศาสนาต้องจับแก่นให้ได้ อ่าเราก็เตรียมรับพร